ที่ช้างฉัดทันเนี่ยโดนนายพรานเนี่ยมารอบยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษตอนทีพอพญาช้างนี่เห็นพรานปับ๊บพรานนี่แอบซ่อนตัวอยู่แต่พอเห็นปั๊บก็ใช้งวงจับขึ้นมาเลยนะกะว่าจะทำร้ายให้ตายแล้วแต่พอจับขึ้นมาปรากฏว่าพรานคนนี้ฉลาดือว่าช้างฉัดทันเนี่ย อ, อ, อะไรอะ่ะเคารพในนักบวช พ้นก็เลยเนี่ยใช้ผ้าของนักบวชเนี่ยมามาคุมกายมามาพันกายเอาไว้แล้พอช้างฉลาดทันเห็นเอ้านี่คุมกายด้วยด้วยชุดของนักบวชก็เลยพอจะฆ่าพานคนนี้ก็เลยก็เลยไม่ฆ่าก็เลยปล่อยพานนั้นไปคือให้เห็นว่าขนาดช้างฉลาดทันเนี่ยโดนทําร้ายนะแล้วเป็นลูกศร อ, อาจจะพิษจะต้องตายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ยังแบบว่า จับผานี่ได้ยังยังไม่ฆ่าผานเลยเพราะเคารพในในชุดในเครื่องแบบของภาการสาาพัตย์นะแต่ว่าท่านเปรียบว่าแต่พระในอนาคตการเนี่ยไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยเพราะเรื่องนุ่มห่มไม่ต้องพูดถึงนุ่มห่มแล้วเนี่ยจะเข้าในที่ที่อโคจรที่ไม่ควรเข้าอะไรก็จะเข้าอะ่ะบางทีจะไปอะไรอะ่ะ เอาบาทถือไปแล้วก็ไปยืนรอให้เขามาใส่บาทใส่เงินใส่ทองใส่อะไรไม่อายอะทำได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยไม่ไม่เคารพเลยในในชุดในเครื่องแบบที่มีอยู่ไม่อายด้วยกล้าทำาเนี่ ย, ย, ยคือคื อ, ค, อคือความหมายในยอันนี้นะต่างจากช้างฉัตรทันนี่เลยแม้พอจะทำร้ายปั๊บทำร้ายพราพรานคนนี้นะ คิดขึ้นมาเลยพอเห็นชุดของพรานแล้วนะได้ตั้งเมตตาจิตกล่าวว่าผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้าฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะย่อมไม่ควงนุ่มห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดุดน้ำฝาดออกไปแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลอย่างมั่นคงประกอบด้วยธรรมะและสัจจะย่อมสมควรจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ นะอันนี้ช้างฉัตรทันพูดขึ้นมานะกล่าวขึ้นมาว่าพรานเนี่ยไม่น่าเอาผ้าผ้ากาสาวะนี่มานุ่มขมจริงจริงพรานก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วอ่ะแต่ชลาอ่ะเอามาป้องกันตัวนะแต่ น, นี่ก็พูดให้ฟังว่าช้างฉัตรทันก็พูดให้ฟังว่าไม่กลัวามานะควรจะเคารพผ้านี่แล้วก็ตัวเองไม่มีศีลเนี่ยเนี่ยมารอบยิงช้างฉัตรทันนี่ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอย่ามาทําให้ผ้าเสื่อมเสียอย่ามาทำให้ให้อะไรอ่ะให้คนเข้าใจผิดหรือว่าทําให้ถ้าเรียกเป็นาศาสนาก็ทําให้าศาสนาเสื่อมเพราะเนี่ยเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เขาพูดกันว่ า, าศาสนาเสื่อมาศาสนาเสื่อมมันไม่ใช่ใครอยู่ที่คนคนทําให้เสื่อมคนที่ไม่เคารพในาศาสนานั่นแหละแล้วก็มาใช้ชุด ในรูปแบบของนักบวชของศาสนาเราก็เลยทําให้ศาสนาเสื่อมทั้งทั้งที่ความเป็นจริงศาสนาเนี่ยพระเจ้าสอนยังไงสมมตุติมีในพระไตรปิฎกนะถ้าไม่ไปเปลี่ยนแปลงไม่ไปแก้ไขอะไรแล้วถ้าถูกต้องแล้วมันก็อยู่ในพระไตรปิฎกแบบนั้นแหละแต่คำพูดพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวศาสนาเพราะตัวศาสนาจริงๆเนี่ยคือตัวคนถ้า ตำลามีอยู่พระไตรปิฎกมีอยู่ทุกถ้อยคาของผู้เจ้าสอนถูกต้องดีเนี่ยมีอยู่แต่ไม่มีคนทําเลยอ่ะอย่างเงี้ยเขาเขาเรียกว่าศาสนามีอยู่ั้ยไม่มีหรอกเขาจะไปเรียกได้ไงไอศาสนามีในหนังสือเหรออย่างนี้เนี่ยมันจะไปเสื่อมยังไงม่มีเสื่อมหรอกถ้าไม่มีใครไปแก้อะไรนะมันจะไปเสื่อมได้ไงส่วนคนจะ ทำเร็วทำลายปู่ยีปู่ยา เ, เครื่องแบบนะหรือว่าศีลจะปู่ยีปู่ยำยังไงก็ตามหนังสือมันก็อยู่อย่างนั้นของมันเนะ่ยอย่างนี้ก็ไม่มีคําว่ า, าศาสนาเสื่อมแต่มันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วมันคนเนี่แหละเป็นหลักใหญ่เป็นหลักสําคัญเพราะต่อให้ตัวหนังสือนี่ไม่ไม่เสื่อมไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ถ้าคนเสื่อมเขาก็เรียกว่ า, าศาสนาเสื่อม เพราะความต้องการอยู่ที่คนแม้แต่ตำหรับตาลานั้นก็เป็นคนทําขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาหรือคนพิมพ์ขึ้นมาจะแก้ก็แก้ได้อยูอ่แล้วถ้าคนจะทําสักอย่างเพราะวาความเสื่อมจริงๆเนะ่ยดูที่คนเป็นหลักอแม้แต่บางทีเปลี่ยนไปแต่มันเปลี่ยนดีขึ้นเงี้ยเปลี่ยนถูกต้องยิ่งขึ้นทําให้ศีลก็ยิ่งยิ่งปฏิบัติดีกว่าเดิม ถึงอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะเป็นอะไรไปล่ะแก้ตำหลับตําราแก้ภาษาอะไรก็ได้ถ้าดีขึ้นไปกว่าเดิมอ่าอย่างนี้เขาก็ไม่เรียกศาสนาเสือ่อมเห็นไหมต่อให้เราเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนแปลงมาแล้วคนก็ถือศีลปฏิบัติธรรมดีขึ้นไปกว่าเดิมอ่าอย่างนี้ศาสนาเจริญและพราะนั้นาากว่าสําคัญอยู่ที่คนผู้ใดมีศีลมีบัตร มีปัญญาสามไม่สำรวจอินทรีย์กระทำตามความพอใจของตนอย่างเดียวมีจิตฟุ้งซ่านไม่ขนขวายในทางที่ถูกย่อมไม่สมควรจะนุ่งผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลปราศจากราคะมีจิตตั้งมั่นมีความดำริผ่องใสย่อมสมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะโดยแท้ผู้ใดไม่มีศีลผู้นั้นเป็นคนพานมีมา n นะ ฟูขึ้นย่อมสมควรจะนุ่งห่มผ้าขาวเท่านั้นจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้อย่างไรคือสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เดรถีจะนุ่งห่มผ้าสีขาวเดรถีนี่หมายความว่าพวกนักบวชอื่นน่ยที่นอกศาสนาพุทธนะ่าจะเป็นพวกพรามณ์จะเป็นพวกอะไรต่างๆส่วนใหญ่เขาจะนุ่งสีขาวกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พูดง่ายว่า ถ้าไม่มีศีลเป็นคนพาลมีอัตตามาณนะมากไปนุ่งห่มสีขาวเถอะอย่ามานุ่งห่มเลยสียอมนำฝาดอย่ามานุ่งภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจะเป็นผู้มีจิตใจชั่วร้ายไม่เอื้อเฟื้อจะข่มขีภิกษุผู้คงที่ในธรรมผู้มีเมตตาจิตแม้แต่ภิกษุพวกที่เป็นคนโง่เขลา มีปัญญาสามถึงพระเถระจะศึกษาจะให้ศึกษาการใช้สอยผ้ากาสาวะก็จะไม่เชื่อฟังจะไม่เคารพไม่เอื้อเฟื้อพระอุปชาอาจารย์ <c oughs> เป็นเสมือนม้าพิการไม่เอื้อเฟื้อต่อสารถีฉะนั้นนะอันนี้เราก็เห็นเห็นอยู่ละนะคงไม่ต้องขยายอะไร ในการภายหน้านับแต่การสังขยานาครั้งที่สผ่านไปแล้วนะคือคืออันนี้การสังขยานาหมายถึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีสังขยานามาเยอะแยะหลายครั้งแต่อันนี้เนี่ยท่านท่านพูดถึงในอนาคตนะเพราะอันนี้ท่านอยู่ในยุค ข, ของพระพุทธเจ้านะซึ่งพระพุทธเจ้ายังอยู่แต่ท่านท่านใช้ยานของท่านเนี่ย บอกว่าหลังจากการสังคายนาครั้งที่สของศาสนาพุทธเนี่ย <c oughs> นะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าไอาเหตุที่ท่านบอกเนี่ยเนี่ยมันจะเริ่มเกิดตั้งแต่หลังาการสังคายนาครั้งที่3ซึ่งอยู่ในช่วงไหนลองดูนะสมานก็ไปนค้นมาก็เขบอกว่าการสังคายนาครั้งที่สเกิดขึ้นประมาณพศ234 ก็หมายความว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปริิพนัน์234ปีโอ้โหแค่200กว่าปีเองนะที่เนี่ยเริ่มแล้วภิกษุนี่เริ่มเริ่มเริ่มชักจะถอยเสื่อมมากขึ้นแล้วแค่200กว่าปีเองเริ่มเสื่อมแล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าพัวพาเหมือนปัจจุบันนี้นะ แต่ท่านพูดเ น, เนี่ยว่าเริ่มตั้งแต่นั้นมาแล้วนะโดยคือ2 3งรปีเนี่ยหลังจากที่พระเจ้าปริยิพานไปแล้วโดยพระเจ้าอาโศกหรือศรีธรร ม, มาโศกราชนะอันนี้เป็นชื่อของพระเจ้าอาโศกเนี่ยที่หนังเขากําลังใช้เนี่ยอโศกมหาราชเนี่ยนะเป็นศาสนูปฐมพกผู้ทํานุบํารุงศาสนาพุทธคือเป็นยุค ข, ของพระเจ้าอาโศกมหาราช นะสังสังขยานาเพราะนะที่ที่สังขยาน า, นาใช้ใช้เวลาสังขยานาเกเดือนจึงเสร็จสังขยานาที่หมายถึงว่าเอาภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อะไรเป็นเถระเป็นผู้ใหญ่นะที่ทรงจําคําสอนของผู้เจ้าต่างๆได้หรือว่าศึกษาแล้วก็ เข้าใจถูกต้องชัดเจนต่างๆเนี่ยเอามารวมกันนันแล้วก็แล้วก็สังขยากันก็คือว่าอันไหนไม่ถูกต้องก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขซะซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่พระเจ้าอโศกมหาราชให้ปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้แก้ไขเนี่ยต้นเหตุมาจากเดรัจีมากมายปลอมบวชในพุทธศาสนานี่คือต้นเหตุที่ทําไม พระเจ้าอโศกมหาราชถึงต้องต้องให้สังขยานาศาสนาพุทธขึ้นเป็นครั้งที่สเพราะปรากฏว่าคําว่ามาปลอมบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพวกเดียร์ธีหรอกเดียร์ีก็หมายถึงว่าพวกศาสนาอื่นลัทธิอื่นใช่ไหมมาปลอมบวชอยู่ในพุทธศาสนาแสดงว่าศาสนาพุทธเนี่ยยังโอ้โห ยังจเจริญยังมีชื่อเสียงยังเป็นที่เคารพของคนจำนวนมากเลยคนก็อยากจะเข้ามาบวชแต่ปรากฏว่าพวกที่เข้ามาบวชเนี่ยเริ่มมาบวชไม่จริงมาบวชแล้วก็เอาความคิดอย่างของตัวเองเอารัฐที่อย่างของตัวเองอะไรเนี่ยเข้ามาด้วยไม่ใช่มาปฏิบัติของผู้จริงจริงแท้แท้ก็เอาเริ่ ม, มเอาเข้ามาปลอมปนเอาเข้ามาปลอมปนเพราะฉะนั้นนะพระเจ้าสงมหาลายก็เลย ขอให้มีการสังคายนาขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะว่าพวกพวกที่ทําไมเกิดการมาปลอมบวตเพราะมีลาบสักกะละเกิดขึ้นมากนั่นเองแสดงว่าคนเคารพศรัทธามากเลยได้สังคายนาที่อโศการามเมืองปาตรีบุตรนะีโดยพระเจ้าอโศกมหาราชนะแล้วก็สังคยนาที่อโศการามเมืองปาตรีบุตร มีพระอรหันต์หนึ่งพลูกประชุมกันพระอรหันต์นะที่เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ต้องเข้ามาประชุมทั้งหมด1000งลูกโดยพระโมคคัลีบุตรติดสาเทระเป็นประธานนี่แหละนี่เป็นเป็นครั้งที่สามแต่ จ, จริงมีต่อมาอีกนะโอ้โหอีกไม่รู้กี่ครั้งก็นนะกจำไไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย พระปุษาเถระท่านบอกว่าเนี่ยที่ท่านว่าวโหจะเสื่อมแล้วก็จะแย่เนี่ยนาะจะเริ่มตั้งแต่หลังจากสังคายนาครั้งที่สภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคตจะปฏิบัติกันอย่างนี้นะอย่างที่ท่านเล่ามาเนี่ยขันพระปุษาเถระแสดงถึงมหาภายัยอันจะบังเกิดในภายภาคหน้าแล้วก็ได้ ก, กล่าวกับเพื่อนภิกษุในที่นั้นว่าัายอยางใหญ่หลวง จะทำอันตรายต่อการปฏิบัติธรรมย่อมจะมีมาในอนาคตแน่นอนย้ำเลยว่าแน่นอนฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่าง่ายเถิดจงพูดถ้อยคำที่สระสรวยมีความเคารพกันและกันมีจิตเมตตาการุณาต่อกันจงสำรวมในศีลปารบความเพียรในธรรมมีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นมั่นคงสมบเสมอ ท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทว่าเป็นภัยนะจงเห็นความประมาทว่าเป็นภัยจงเห็นความไม่ประมาทว่าเป็นความปลอดภัยนะทิ้งทายไว้เหมือนพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานเลยว่าท่านทั้งหลายจงเป็นไงก่อนจะปรินิพพานะ ท่านทั้งท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ครบพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้ก็เหมือนกันท่านปู่ศาท่านก็บอกว่าอ่าชัดนะชัดนะให้รู้นะว่าความประมาทเนี่ยเป็นภัยนะจ้องะมาอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ความไม่ประมาทเป็นความปลอดภัยแต่สําหรับผู้วิจเจ้านี่ ความไม่ประมาทเป็นไงสาหรับผู้เจ้านี่ทาไมตัดอย่างนี้นะอันนี้แค่เป็นภัยเฉยนะเฉอยอผู้เจ้าบอกผู้ที่ประมาทนี่คือผู้ที่ตายแล้วตายแล้วเลยท่านท่านเอาอย่างนี้เลยลหละท่านไม่แค่ว่ามีภัยเท่านั้นนะท่านถือว่าตายแล้วเลยนะทันทีเลยนะถ้าประมาทนี่คือเสร็จเรียบร้อยไม่มีว่าไม่เสร็จถ้าประมาทแล้วเสร็จแน่นอน แล้วจงอบรมด้วยอัดทางขีกมักอัดทางคีกมักนี่คืออะไรเราอาจจะได้ยินสำนวนนี้อยู่พูดนื่งพูดอย่างนี้เสร็จก็อัดทังอัดทางคีกมักเอาแล้วเอาแล้วเนไม่เคยได้ยินเลยเหรอสำนวนนี้แล้วพูดเออกระมายถึงมักมีองแปด Uh, เขาเรียกอีกคํานึงเขาเรียกเนี่ยอัดทางทกิกรรมะก็คือมรมีองค์8นั่นเองก็คือจงอบรมด้วยอริยมรมีองแปดนะถ้าไม่ใช้คําว่าอัดทางทกิกมัคะเมื่อกระทําได้รู้แจ้งดันนี้แล้วย่อมจะบรรลุนิพพานอันเป็นทางแห่งการไม่เกิดไม่ตายได้เพราะฉะนั้นต้องได้นิพพานถึงจะไม่เกิดก็ได้แล้วไม่ตาย ก็ได้แต่นี่เขาพูดติดกันก็ไม่เกิดไม่ตายได้ต้องนิพพานคุณถึงจะไม่เกิดก็ได้แล้วคุณจะไม่ตายก็ได้แต่ต้องกานิพพานนะถ้ายังไม่นิพพานนี่เป็นยังไงมีแต่เกิดเออมีแต่เกิดไม่มีตายมีแต่เกิด อ้าวจริงหรือเปล่านี่เฮ้มีแต่เกิดอย่างเดียว่ไม่มีตายหรอกเอ๊ะถูกหรือเปล่าเนี่ฮะใครไม่ตายบ้างดิมีไว้ใครไม่ตายบ้างฮะถูกหรือเปล่าเนี่ยที่พูดอย่างนี้นี่ถูกไหมเนี่ยก็กิเลสเกิดนั่นสิน เพราะว่าอะไรเพราะที่ตายอยู่เนี่ยที่บอกว่าร่างกายตายเนี่ยใช่ไหมวิญญาณมันไม่ดับไม่สูนไปไหนนี่เพราะกิเลสมันยังมีอยู่กิเลมันไม่ได้ตายเพราะกิเลมันยังมีแตเกิดเกิดเกิดเพราะฉะนั้นที่เราพูดกับภาษาว่าตายเนี่ยที่เราใช้ว่าร่างกายมันตายนะแต่จริงจรงจิตวิญญาณอะไรพวกนี้มันไม่ได้ตายมันยังเกิดเลยยังอยากเลยยังอยากมีอยากเป็นนะ อยากจะมาเล่นงานไอ้นั่นไอ้นี่มันยังมีอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยมันไม่มีดับเลยไม่มีตายไม่มีศูนย์ทันทีเพราะฉะนั้นต่อเมื่อเป็นพระอร ห, รหรันต์หรือบรรลุนิพพานได้เท่านั้นน่ยถึงจะมีดับได้ไม่อย่างนั้นไม่มีดับมีแต่เกิดลูกเดียวเกิดเนี่ยก็อะไรพามาเกิดพระยถาท่านก็ใช้คําอยู่ว่าอะไรพาให้มาเกิด เนี่ยคนเราทุกวันนี้อะไรพาให้มันเกิดก็กิเลสอะไรคือกิเลสอะไรอ่ะที่ท่านเรียกท่านใช้คําเรียกอยู่นะกิเลสตัวไหนอ่ะ <c oughs> ท่านใช้สํามวลอยู่ว่าตัณหาที่ไงพามาเกิดกิเลสตัวที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยตัณหาแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร <c oughs> อ, อความทะยานอยากเนี่ยนที่มันพามาเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยมันถึงได้ ไม่ไม่ดับไม่อยู่สักทีถ้าหิวอยู่เนี่ยตาบดายังหิวอยู่ตาบดายังอยากอยู่เรื่อยอยากอยู่เรื่อยก็ต้องหากินอยู่ตลอดจนกว่าจะอะไรจนกว่าจะอิ่ม <c oughs> ถูกไหมละ่ะจนกว่าจะอิ่มขนาดอิ่มเนี่ยบางทีเนี่ยขนาดอิ่มแล้วยังอยากจะกินอยู่เลยอะ่ะใช่ไหมเอาเข้าได้ก็เอาเข้าเลยขนาดอิ่มอะ คุณคิดดูสิเห็นมหมทางกายเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความอิ่มเนี่ยมันพอไหมไม่พอหรอกถ้าพูดง่ายๆนะถ้าถ้าเอาออกได้แล้วก็เอาใส่เข้าไปได้มันก็เอาเอาเอาออกแล้วเอาใส่เข้าอีกก็ <c oughs> จะยังยี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มีหยุดไม่มียัง้งต่อเมื่อเราปฏิบัติทำเราลดกิเลสความอยากพวกเนี้ยตัณหาพวกนี้ ตัณหาที่มันพาให้อยากกินไอ้นนชอบไอ้นี่ติดไอ้นนจะอยากเพราะอะไรก็แล้วแต่อยากที่มันเป็นกิเลสเนี่ยนะที่มันมันหยุดไม่ได้มันหยุดยั้งไม่ลงเพราะไอ้ความอยากนี่มันเกิดเกิดเกิดกูไม่มีอิ่มไม่มีพอพระเจ้าถึงบอกเลยว่าไม่มีอิ่มไม่มีพอเพราะฉะนั้นไม่มีวันตายจริงๆคนเราเนี่ยไม่มีวันตายเลยเพราะมันไม่มีอิ่มไม่มีพอ เพราะการตายทางร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงการตายทางร่างกายเนี่ยมไม่ใช่ของจริงเลยเพราะจิตวิญญาณ น, นี่มันไม่ยอมดับเลยมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะเฉะนั้นบางมหาที่เกิดทันทีเลยจะไปเกิดไปอะไรบางทีอ่ะใจร้อนนะมันไม่สมใจนะเพราะมันอยากจะรีบเกิดอะ่ะแต่โอ้โหสเปคของเราอ่ะสมมุติเราเลือกเอาไว้อะนะเราอยากจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีสักหน่อยโอ้โหตอนนี้ หาบ้านเศรษฐีลงไม่ได้นะเขามีคิวไว้แล้วเขาจองไว้แล้วกันเลยไม่มีคิวให้ลงเลยอ่ะคุณคุณยังอดลนทนไม่ได้เลยนะเพราะมันอยากจะเกิดเพราะว่าสภาวะของมี ญ, ญาณมันมันไม่มีตัวตนที่จะให้เสพอะไรได้เลยเพราะมันมันทรมานมันทรมานป่ากก็ไม่มีกระเพาะไม่มีแต่จิตของเราเนี่ยมันมีอ่ะมันมีโอ้ อยากกินอยากดื่มอยากเสฟอยากอะไรต่ออะไรมันมีอยู่อะแล้วมันก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นนในที่สุดก็เลยไม่รู้หละเกิดเป็นคนเนี่ยนะเอาละชาตินี้นี่อะไรนะคิวที่เต็มไวปอีกชาติหน้าเหอะเข้าไอ้นี่ได้ก่อนแล้วเข้าก่อนแล้วน่าจะไปเกิดเป็นลูกหมูลูกช้างลูกแมวที่ไหนก็เอาก่อนแล้วเพื่อให้ได้ตัวตน เพราะว่าถ้าได้ตัวตนแล้วย่างแค่น้อยก็ยังได้เสพยังได้เสพสนใจเพราะว่ามันมีตัวตนแต่ถ้าไม่มีตัวตนร่างกายโอ้โหอยากยังไงก็ตามแต่เสพไม่ได้ทรมานทรมก ร, ร ม, มากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็คิดว่ า, าเรื่องพระปุษาทเทระนี่อันนี้อาจจะมาฝากไว้ตรงนี้ ข้อบางทีถ้าพูดถึงเรื่องภิกษุในอนาคตอะไรเราฟังแล้วบางทีมันจะคิดไกลตัวแต่สภาพความเป็นจริงเนี่ยภิกษุนี่มาจากไหนฮะภิกษุมาจากไหนก่อนก่อนมาเป็นภิกษุก็ <c oughs> <c oughs> จชาวบ้านนั่นแหละใช่ไหมเ <c oughs> พราะนั้นถ้าคุณคิดดีๆนะว่าภิกษุในอนาคตจะเป็นอย่างงี้ๆเสื่อมไปเนี่ยก <c oughs> <c oughs> ็จริงๆก็หมายถึง ชาวบ้านนั่นแหละโอ้โหชาวบ้านหยาบชาวบ้านเสื่อมชาวบ้านแย่อย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเอาผ้ากาสาวพัดไปคุมตัวเองแล้วเรียกว่าภิกษุเท่านั้นแหละแต่ความเสื่อมจริงๆก็คือชาวบ้านนั่นแหละเสื่อมก็คือชาวบ้านนั่นแหละแต่ในที่นี้เนี่ยท่านถือว่าเอามาคล้องผ้าแล้วก็บวชเนี่ยใช่ไหมเอาบวตามจารีประเพณีก็ถือว่าเป็นภิกษุแต่จริงๆก็คือลูกชาวบ้านนะ ว่าความเสืมเนี่ยถ้าเราไปคิดเราโอ้โหให้ ه, เราจะเป็นอย่างนี้ป่ะเนี่ยทั้งดือ้อทั้งอะไรอะริดสยาทั้งสอนยากทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่เยไปคิดให้เข้าหาตัวเองเรามันถึงจะรู้ชัดไม่ใช่พอฟังอย่างนี้แล้วก็นึกแต่ก็ก็พิกษุอะไม่ใช่เราเราชาวบ้าน <laughs> เอ๊ะคุณนึกอย่างนี้เนี่ยคุณไป็ฉลาดเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้รู้ถึงความจริงเลย ว่าความจริงคือชาวบ้านนั่นแหละนะก็หวังว่าถ้าถ้าไปคิดต่ออย่างนี้ได้ก็จะเข้าใจอีกเยอะเลยว่าโอ้ทีลลิกี้ที่ท่านว่าเนี่ยก็คือว่าลูกชาวบ้านแหละที่ทําให้ศาสนาเสื่อมอย่างเนี้ยนะอ้ะวันนี้ของพอเท่านี้นะ